ซึ่งการมันประกอบในตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะขันสา3และกัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่การมันประกอบในตัญหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นละขันสองกัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น หทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเราอาจารย์ตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 ได้แก่ขันสามและจิตตธมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกกาศซึ่งกรรมมันประกอบในตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นขันสองและจิตตธมุฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กรรมมันประกอบในตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานปราจิตตธมุฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโมหะที่สศรคตด้วยวิจิกิจชาที่สศรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่ทศรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สศรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่กรมมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กรมมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นนาเหตุุกะ ซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้อาศัยมหาภูตร <ession leness Shore suicide> euh ูปเกิดขึ้นณอารัมณปัจจัย14สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารัมณปัจจัย ได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตรารูปอาศัยกันที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นอทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสําหรับเปล่าสัญญัสัตรพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 อาศัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบในตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธิการมันประกอบในตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอ ok กที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละ สภาวธรรมที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานอาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้น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 ได้ที่กรรมมันประกอบในตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณนะอธิปฏิปัจจัยได้แก่อจิตตสมุทฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่กรรมมันประกอบในตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นนอนันตระปจจัยเป็นต้น 16. สภาวธรรม กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะณสมณันตรปัจจัยเพราะณอัญญามัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัย เพราะนะัจฉาชาตปัจจัยเพราะนอาศเสวนปัจจัยละสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐ <OS> ิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนอาศเสวนปัจจัยได้แก่ขันสมาอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งการมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 ได้แก่เจตนาที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยขันที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดข follow ึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละสภาประธานที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อาศัยสภาธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือได้เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเกิดขึ้นพระนกรร ม, มปัจจัยได้แก่เจตนาที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยขันที่เป็นกุศลถึงการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นนวิปากปัจจัยสิบแปด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 อาศัยสภาวธรรมที่กรารมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและทิฏกรารมมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนวิปากัปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งกรารมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้น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 ในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัจจนยวานในกุสลติกะ 2. ปั จ, จยปัจจ尼ยสอสังขยาวานสุทธนัย26ในเหตุปัจจัยมีห้าวาระน้ารามานปัจจัยมีหกวาระหน้าทิปติปัจจัยมีหกวาระน้านันตระปัจจัยมีหกวาระ นาสมานั Any นตรปัจจัยมีหกวาระ ya, ami, นาอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ ata, ami, นาอุปนิเตียปัจจัยมีหกวาระ ana, ami, นาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ ama, ami, นาปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระ aga, ami, นาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีหกวาระนาอาหารปัจจัยมีสองวาระ นอินทรียปัจจัยมีสองวาระนาชานปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยมีหวาระนสัมปยุตตาปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยมีหกวาระโนวิกตปัจจัยมีหกวาระนเหตุตุทุกกะในนอารามณปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสี่วาระ หน้าที่ปฏิปัจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีหวาระน้านันตาปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีสี่วาระละน้อาเสนาอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีหวาระน้กรรมปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีหนึ่งวาระน้วิปากปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีสองวาระละน้าชานปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีสองวาระ นามัคะปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีหวาระนัสัมปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสองวาระละโนวิกตปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยมีสวาระในองเล็บพึงนับเหมือนในกุศลติกะปัจญนยจบ 3. ปัจจญานุลมปัจญนยะเหตุทุกไนยัย27 นอารามณปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหทุปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมี9้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับเภทุปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีหกวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีหกวาระ นาวิปยุตตาปัจใจกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาร ะ, ะ, น ะ, าาาาระในมงเล็บเพิงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะในกุสลติกะอนุโลมปัจจ尼ยะจบ 4. ปัจจยปัจจ尼ยานุโลมนเหตุทุกไน28 อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระละสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหวาระอุปนิสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระละชานาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีห้าวาระ ในวงเล็บพึงนับเหมือนปัจจนญานุโลมในกุสระติกะปัจจนญานุโลมจบปฏิจวานจบ4อุปาทิ น, นติกะสองสหชาตาวานหนึ่งถึงสี่ปัจจยะจตุกนายยี่สิบก้าสภาวธรรม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 หปัจจญานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย30สภาวธรรมที่กรมมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรมมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่การมมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและ เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุ setting, uther, Dis 3, ทําขันให danach, ้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตารูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทํามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งบาระสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถื อ, แ ล, อ, อ, ถอและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามบาระ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 ได้แก่จิตตาตมุทฐานารูปทำขันธ่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและทำมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวะธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 รรถ้าทรอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสอ ง, สองและท ร, รมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัยา ส, สามสมสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทาน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 ทำสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระทำสภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีสาวาระ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 ในวงเล็บพึงขยายปัจจัย24ให้พิสดารเพราะอาวิคตะปัจจัย